น, นี้นอกจากจะเป็นวันแม่ของชาวไทยแล้วนะสำหรับชาววัดป่าสุกโตแล้วก็วัดภูเขาทองวัดป่ามหาวันแล้วก็ญาติโยมอีกหลายท่านวันนี้นะเป็นวันหลวงพ่อนะหลวงพ่อที่ว่าคือหลวงพ่อคาเขียนนะเพราะว่าท่านเกิดวันนี้นะ12สิงหาเมื่อ79ปีที่แล้ว เมื่อตอนที่หลวงพ่อมีชีวิตอยูนะ่ก็ไม่เคยมีการจัดกิจกรรมอะไรเป็นพิเศษในวันนี้นะเพราะว่าหลวงพ่อท่านก็ไม่อยากจะให้ความสาคัญกับตัวท่านเองนะก็ไม่เคยมีกิจกรรมอะไรเป็นพิเศษนะอาจาะพิเศษหน่อยก็คือปีที่แล้วนะสิบสองสิงหานี้ นะทั้งพระทั้งแม่ชีแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาก็มาทำสามีจิกรรมมาทำวัดหลวงพ่อนะที่หน้ากุฏิที่หลวงพ่อกำลังอ า, าพาธอยูนะ่นั้นก็เป็นครั้งเดียวเท่าที่จำได้นะที่มีกิจกรรมอะไรหรือพิธีกรรมอะไรที่เป็นพิเศษหนะึ่งในวันเกิดของหลวงพ่อ แต่นี้เมื่อหลวงพ่อได้อาจากพวกเราไปแล้วนะสังขารของท่านก็ได้สูญสลายนะไปกับเปลวเพลิงแล้วนะก็คงมีแต่คุณงามความดีแล้วก็คำสอนของท่านที่ยังคงอยู่แล้วก็ควรแก่การระลึกถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยทางวัดนะ น่จึงให้มีนะกิจกรรมพิเศษในวันนี้นะเพื่อจะได้น้อมระลึกถึงคำสอนและคุณงามความดีของท่า น, นเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะมีความหมายต่อการปฏิบัติและการดำเนินชีวิตของพวกเรา หลวงพ่อท่านก็ทําเพื่อพวกเรานะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราได้น้อมนําคําสอนและก็แบบอย่างจากชีวิตของท่านมาเพื่อช่วยนะเป็นเครื่องกํากับหรือว่าเป็นแสงสงว่างาศาสส่องนําทางชีวิตของเราก็เป็นเรื่องที่นะท่านก็จะอนุโมทนา ถ้าหากท่านได้รับทราบนะวันนี้จะมีกิจกรรมอยู่สองสาอย่างนะอันแรกคือว่าเราจะไปการาบคารวะอธิธาต์ของหลวงพ่อที่ลานหิงโค้งนะที่ไปการาบคารวะนี่นะไม่ใช่เพราะว่าถือว่าท่านเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อะไรนะแต่เพราะถือว่าเป็นครูบาอาจารย์และเมื่อเรากลาบคารวะแล้วเนี่ยก็ให้เรา ตั้งจิตนะให้ดีให้ถูกต้องคนส่วนใหญ่ในเวลาไปกราบพระนะพระพุทธรูปหรือครูบาอาจารย์ก็จะขอนะขอให้บารมีของท่านคุ้มครองเรานะแต่จริงจริงสิ่งที่เราควรทำมากกว่าคือว่าตั้งใจที่จะปฏิบัติตามคำสอนของท่านเดินตามรอยท่านมันต่างกันมากเลยนะระหว่างขอให้ท่านคุ้มครองเรากับการที่เราขอที่ ขอปฏิบัติตามคําสอนของท่านการที่เราตั้งใจว่าเราจะปฏิบัติตามคําสอนของท่านหรือว่าประพฤติตามท่านเป็นแบบอย่างเนี่ยนะอันนี้มันมีแต่จะนําความสุขความเจริญมาให้นะแต่ถ้าเราขอให้ท่านให้บารมีของท่านคุ้มครองเรานะอันนี้มันก็อาจจะทําให้เรากลายเป็นผู้ประมาทแล้วก็ไม่มีความเพียรนนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเร า, าไปกราบอธิษฐานของหลวงพ่อนะก็ให้เราตั้งใจอย่างนี้ว่า เ, เราจะขอนอบําคคำสอนของท่านนะมาปฏิบัตินะเพื่อทำให้ชีวิตของเราเนี่ยตั้งมั่นในธรรมนะซึ่งก็จะทำให้เกิดความเจริญงอกงามแก่ชีวิตเป็นทั้งป ร, ระโยชน์ตนเองประโยชน์ท่านนะ หลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะไปที่กุฏิของหลว ง, ง, งพ่อซึ่งตอนนี้ได้แปลสภาพเป็นพินะนพิธภัณฑ์นะเป็นพิพิธภัณฑ์นะไม่เป็นอะไรกับอะไรเราก็จะมีการสนทนาธรรมกันสักเล็กน้อยนะประมาณสักไม่เกินชั่วโมงแล้วก็จะมีการสวดเพื่อเป็นพิธีเปิดนะพิพิธภัณฑ์ จรนะิจริงยังมีหลายอย่างที่ได้ทำานึ่งในโอกาสนี้นะเช่นได้ทำคล้ายๆเป็นเส้นทางตามรอยหลวงพ่อคำเขียนก็จะมีจุดต่างๆนะที่มีความสำคัญนะกับวัดป่าสุกโตแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาเป็นที่ที่ สะท้อนใ้เห็นถึงการดําเนินชีวิตนะแล้วก็การงานของหลวงพ่อนะการดําเนินช่วงท่านเนี่ยนะก็มีหลายอย่างนะและว่าที่จริงแล้วเนี่ยคาสอนของหลวงพ่อเนี่ยไม่ได้ออกมาเป็นคําพูดหรือว่าข้อเขียนคำบรรยายเท่านั้นแต่อย่างสะท้อนออกมาจากชีวิตของท่านจากการปฏิบัติตัวของท่านในชีวิตประจำวันเช่น จากการเดินจากการยืนจากการนั่งจากการนอนของท่านนะแม้แต่การนอนของท่านนี่ก็สอนใจเราได้เยอะนะว่าท่านนะนอนอย่างผ่อนคลายนะแล้วก็นอนอย่างมีสติน e ะเป็นต้นมาตมมาคาทีเคยพูดว่าชีวิตของท่านเนี่ยคือคําสอนนะ life ไล m ์ m ิสหมายเมนะหลวงพ่อก็เหมือนกันนะหลวงพ่อคําเขียนเนี่ย การดำเนินชิวงท่านก็สามารถที่จะสอนทำให้กับเรานะและเป็นการแสดงทำไปในตัวด้วยเพราะฉะนั้นสถานที่ต่างๆที่เคยเกี่ยวข้องกับชีพจาวันของท่านเนี่ยเราก็มามาย้ำเตือนนะตรงไหนที่เป็นจุดที่ท่านาเคยกางเต็น์นะพักผ่อนอิเรีย บ, บทแล้วก็แนะนำผู้ปฏิบัติ นะที่มาแถวลานหินโคง้งแล้วกนะ็มีการทำนิมิตหมายเอาไว้นะตรงไหนที่หลวงพ่อนะท่านเคยทิ้งผลงานเอาไว้นะแม้กระทั่งป่าไผนะ่หรือว่าป่าเห็ดเนี่ยนะเราก็มีนิมิตหมายนะทำเป็นจุดสำคัญเอาไว้อ น, นี้ก็เป็นผลงานหลวงพ่ออย่างหนึ่งนะ ป่าไผ่ก็ดีหรือว่าที่ที่ชาวบ้านมาเก็บเห็ดเนี่ยนะซึ่งก็เป็นผลงานจากภูมิปัญญาของท่านนะท่านรู้ว่าเนี่ยถ้าปลูกต้นไมร้รดอเพราะต้นยางนาหรือว่าปลูกป่าให้ฟื้นขึ้นมาแล้วเนี่ยนะชาวบ้านก็จะมาเก็บเห็ดนะจะม า, าใช้ประโยชน์ได้ น, นี่ก็เป็นผลงานที่เกิดจากการอนุรักษ์ป่าของหลวงพ่อนะ ท่านก็อย่างที่เราทราบท่านก็ไม่ได้แค่ฟื้นฟูป่านะแต่ว่าท่านยังมีงานฟื้นฟูใจนะไม่ใช่ใจของท่านนะแต่ว่าใจของพวกเรานี่แหละที่เป็นลูกศิษยนะ์ที่ที่ท่านได้แสดงธรรมได้มาสอนได้มาทําวัดสดมนหรือว่าเทศนาสั่งสอนเนี่ยก็ก็มีนะสถานที่เรานี้นี่มีเรามันมีอยู่แล้วนะแต่ว่าทํา ให้เห็นเด่นชัดนะมีนิมิตหมายมีจุดบอกนะเพื่อที่จะให้เราได้รู้ว่าเนี่ยตรงนี้แหละนะเกี่ยวพันกับชื่อของท่านและเมื่อเราเห็นแล้วเราก็จะได้นึกถึงว่านะท่านได้มีชีวิต อ, อ, อย่างไรนะท่านอยู่อย่างไรท่านยืนอย่างไรเดินอย่างไรนั่งอย่างไรนอนอย่างไรรวมถึงว่าท่านสอนอย่างไรนะท่านทํางานอะไรบ้างนะจริงก็ไม่ได้มีแค่นี้นะที่วัดภูเขาทองก็มีนะ ทางวัดภูเขาทองก็ก็ทำพิพิธภัณฑ์เหมือนกันนะก็จะสะท้อนถึงชีวิตและงานของหลวงพ่อนะไม่ใช่เพื่อเพื่อย้ำหรือชูวความสำคัญของหลวงพ่อเป็นตัวบุคคลนะแต่เพื่อให้เราได้ศึกษาเอามาเป็นคติธรรมหรือมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตนะแล้วก็ที่สำคัญนะก็คือว่า พิพิธภัณฑ์ของหลวงพอ่อนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะแสดงทําใหา้ให้เราเห็นได้อีกเหมือนกันนะนอกจากว่าท่านอยู่อย่างไรทํางานอย่างไรทําอะไรบ้างแล้วนะหรือสอนอย่างไรก็จะน่าจะเรียนรู้ได้ว่าท่านป่วยอย่างไรนะแล้วก็ท่านตายอย่างไรด้วยนะป่วยอย่างไรตายอย่างไรเนี่ยก็จะแสดงออกนะผ่านพิพิธภัณฑ์นะซึ่งเราก็จะเปิดในวันนี้นะ เป็นพิพิธภัณฑ์เล็กๆนะไม่ได้ใหญ่โตนะไม่ได้ทุ่มเทเงินเป็นเป็นสิบล้านร้อยล้านอย่าง อ, อนุสรณ์สถานหลายๆแห่งแต่ว่าเชื่อว่าสามารถที่จะแสดงธรรมลึกซึ้งให้กับพวกเราได้เพื่อจะได้นำไปใช้นะในการดำเนินชีวิตของเรานะทั้งในยามสุขยามทุกยามขึ้นยามลง ลวมทั้งยางปกติและยามป่วยด้วยนะก็ขอเชิญชวนทุกท่านได้มาร่วมกิจกรรมเล็กๆเหล่านี้นะนด้วยกันนะตลอดทั้งเช้านี้นะอ่าแล้วก็จากนี้ก็เตรียมรับผรได้